มาตวัดน้ํามันในรถยนต์เราต้องคอยสังเกตดูอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้น้ํามันเหลืออยู่มากน้อยเพียงไรถ้ามารเริ่มลงเกือบจะถึงศเราก็ต้องรีบแวะเข้าไปเติมน้ํามันกันเพราะเรารู้ว่าเวลาน้ํามันหมดแล้วรถยนต์ไม่สามารถวิ่งไปไหนได้ต่อไป แต่ใดเวลาที่จิตใจของเราเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายอิจฉาราอาใจหมดกำลังจิตหมดกำลังใจที่จะทำอะไรต่างๆได้แสดงว่าน้ำมันใกล้หมดแล้วกำลังใจใกล้หมดแล้วเป็นเวลาที่เราต้องไปเติมน้ำมันแล้วต้องเข้าสู่สถานีบริการแล้ว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 จเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเพราะนี่แหละคือธรรมที่จะเป็นพลังให้แก่จิตใจมีอยู่ห้าประการด้วยกันคือ 1. ศรัทธาความเชื่อ 2. วิริยะความภาคเพียร 3. ส, สติ 4. ส, สมาธิ 5. ปัญญานี่คือน้ำมันของใจ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 จากความทุกข์ทั้งหลายได้สามารถเข้าถึงเข้าถึงพระนิพพานแดนอันเกษมสำราญแดนแห่งบาลังบลังมะบมังสุขขังคือแดนแห่งบรมมัสุขได้ถ้าเราได้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าได้เรเลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เรเลึกถึงพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้า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 เราจะไปรู้ได้อย่างไรว่าวิธีที่จะทำให้มรรคสี 4, ผลสีนิพพานหนึ่งนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร mm. เพราะว่าถ้าเรารู้แล้วเราก็ควรจะไปถึงมรรคสี 4, ผลสีนิพพานหนึ่งนี้มานานแล้วถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติที่จะพาให้เราไปถึงมรรคสี 4, ผลสีนิพพานหนึ่ง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 มาถามอะไรก็ใช้การเขียนหนังสือตอบไปอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นการหยุดความคิดปรุงแต่งเพราะเวลาจะเขียนหนังสือนี้ก็ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งคิดขึ้นมานั่นเองเช่นเขาถามว่าจะทำอะไรจะไปไหนแทนที่เราจะใช้ปากตอบเข้าไปเราก็ใช้มือเขียนหนังสือแทนอย่างนี้มันก็ยังใช้ความคิดปรุงแต่งอยู่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 รถที่วิ่งลงเขาในถ้าไม่มีเบรคนี้จะไม่สามารถหยุดรถได้ยศรถจะวิ่งลงไปเรื่อยๆและจะเร็วขึ้นไปเรื่อยๆใจก็เหมือนกันถ้าใจไม่มีเบรก ค, คือสติใจก็จะคิดไปเรื่อยๆคิดไปจนเกิดความคุ้งสร้างขึ้นมาถ้าไม่มีเบรกใจจะไม่หยุดคิดถ้าไม่มีสติ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 ของพวกเราได้เพราะพวกเราเป็นเหมือนทหารที่ไม่ได้รับประทานอาหารแล้วไปออกรบเนี่ยเวลาไปออกรบแล้วไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้พักผ่อนหลับนอนจะมีกําลังที่จะไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรูได้อย่างไรทหารจึงต้องมีมีอาหารมีเวลาพักผ่อนหลับนอน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 แล้วพอได้สติก็กลับมาหาพุทโธพุทโธใหม่อยอย่างนี้เรียกว่าใจา ย, ยังไม่มีสติอย่างต่อเนื่องเป็นสติแบบลม้มลุกคลุกคลานเดี๋ยวก็ลม้มเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็คลานต้องให้มันเป็นพุทโธพุทโธไปอย่างต่อเนื่องเพียงอย่างเดียวหรือถ้าดูลมก็ให้ดูลมอยู่กับลมเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้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 วัดที่ถูกก็คือวัดที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญนั่นเองวัดของพระพุทธเจ้าก็คือป่าเพาป่าเขาลเนาวไพนี้เองพระสาวกทั้งหลายท่านก็บำเพ็ญอยู่ในป่าเขาลำนาพัยแม้แต่คูบาจารย์ถึงแม้ว่าท่านจะบวชอยู่ในวัดวาอารามที่มีฐานวรวัตถุต่างๆแต่เมื่อถึงเวลาที่ท่านจะต้องปฏิบัติท่านต้องจเจริญสติ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 นี่คือเรื่องของปัญญาที่เราต้องจเจริญหลังจากที่เรามีสติมีสมาธิแล้วเวลาเกิดตัณหาเกิดความอยากขึ้นมาต้องใช้ปัญญาเข้าไปสกัดต้องใช้ใลรักเข้าไปสกัดต้องใช้อนิจังทุกขังอนัตตาเข้าไปทำลายถึงจะทำลายได้อย่างถาวรเมื่อทำลายได้แล้วความทุกข์ทั้งหลายก็จะหมดไปใจก็จะ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 ต้องกระโดดต้องทำอะไรต่างๆในท่าไหนบ้างพอเราทำไปร่างกายก็จะมีกำลังขึ้นมาอันใดพอเราได้ยินได้ฟังธรรมแล้วว่าถ้าเราอยากจะได้กำลังใจไว้ในการต่อสู้กับกิเลสตัหาเราต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพอเรามีสติแล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเป็นอุเบกขาได้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 ยะถาวะวหาปูระปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปัิตังต um ุนหังคิดเเมวะสมิจจตุสเพปุเรินตุสังกะ a าจันโทปนะระโ a ย h ามณีโชติ so ระโสยะาสภีติโยวิวชัชานตุสัพพรโรควินัสตุมาเตภวตะวันตรยโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีริตสะนิจังวุธาปจายโนจตารโอธรมมาวาทานติอายุวนโนสุขัง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 พอปฏิบัติทำไปเรื่อยๆอใจมันรู้สึกปล่อยอยากจะปล่อยวางเรื่องทางโลกครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าหาเงินได้จํานวนที่คิดว่าพอพอใจแล้วครับแต่คราวนี้เนี่ยผมมีภรรยาซึ่งป่วยอยู่เป็นโรคหมอนรองกระดูกครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยอยากจะละเพื่อไปบวชแต่คราวนี้เนี่ยผมก็ติดอยู่ที่ว่าผมจะยังทํางานเพื่อ เลี้ยงดูเขาต่อดีหรือว่าจะจะเดินยังไงต่อดีครับผมอย่างตอนนี้มันเหมือนหัวเลียวหัวตอบครับมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะให้ความสําคัญกับใครจะให้ความสําคัญกับการปฏิบัติของคุณหรือให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาภรรยาคุณก็ต้องชั่งน้ําหนักดูว่าอันไหนมันมันสําคัญกว่า ตอนนี้ในเบื้องต้นคือเข า, าช่วยเหลือตัวเองได้แล้วครับก็คือหายได้ประมาณหนึ่งแต่คราวนี้ใจมันยังไม่ลงเต็มที่ว่าจะตัดสินใจติดขาดได้ครับก็ <c oughs> ต้องลองลองทําไปแบบแบ่งเวลาออกไปบ้างเช่นนะะหาเวลาไปอยู่วัดเป็นเดือนเดือนดูก่อนครับอแล้วดูว่าเราคิดว่าเราจะ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 ถ้าเรายัางไปไม่ได้เราก็กลับมาบ ม, มาตามเหตุปัจจัยใช่ไหมครับตามกําลังมาเสริมสร้างกําลังของเราต่อแต่ถ้าเราลองไปได้มันก็นด้จะไปได้ที่มันไม่ที่ไปไม่ได้เพราะมันไม่ไปใจใช่ไหมมันอยู่แค่ตรงนั้นับผถ้ามันไปมันก็ไปได้ถ้ามันไม่ไปมันก็ไม่ได้ไป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 เสียโอกาสไปเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเวลาที่จะไปดูแลรักษาใจของเราถ้าเราตัดสินใจบวชแล้วนี่เราไม่ได้ถือว่าไม่มีความรับผิดชอบใช่ไหมครับก็อยู่ที่ว่าเราต้องดูแลเขาหรือเปล่าครับถ้าเรายังต้องดูแลเขามันก็ถือว่าไม่มีการรับผิดชอบแต่ถ้าเราหาคนอื่นมาดูแลแทนเขาได้หรือเปล่ามันก็ต้องชั่งน้ำหนักดู ถ้าเขาดูแลตัวเองได้โดยสักเจ็ดแปดสิบเปอร์เซนก็ก็เราก็ทิ้งเงินทองที่เราหามาให้เขาไว้ครับ อ, อแล้วก็ให้เขาคิดว่าเหมือนกันว่าเราไปประสบอุบัติเหตุลดความตายไปก็แล้วกัน อ, อม่มไม่มีเราอยู่แล้ว อ, อครับเพราะว่าสมว่า <c oughs> ถ้าเราเกิดเราไปประสบอุบัติเหตุตายไปแล้วเขาจะอยู่อย่างไรเราก็าต้องอยู่ตามสภาพที่เราทิ้งให้เขาไปน เรามีเงินทองเท่าไหร่เราเขาก็ต้องอยู่กับสิ่งนั้นไปหรือเขาก็อาจจะหาคนอื่นมาอยู่มาดูแลรักษาเขาก็ได้ต่อไปคนมีบุญคนมีอะไรเขาก็อาจจะมีเทวดาคุ้มครองรักษาเขาเองครับแต่ก็ไม่ควรจะทอดทิ้งกันครับถ้าเขาเราเราไปแล้วเขาเขาตายไปอย่างนี้อันนี้บางทีเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นวิบากของเรา ที่เรายัางต้องทนรับไปก่อนทนอยู่กับเขาไปก่อนเพราะถ้าเราไปแบบนั้นเราอาจจะไปแบบไม่สบายใจแล้วก็จะมาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติของเราไปแล้วในที่สุดก็อาจจะต้องกลับมาอยู่ดีเพราะความไม่สบายใจนั่นเวลาไปนิจใจมันต้องขาดมันต้องไม่มีอะไรผูกใจไว้เลยถ้ามีแล้วมันจะเป็นปัญหาขึ้นมาได้ต่อไป ยังต้องพยายามตัดปัญหาต่างๆที่ค้างคาค้างค า, าอยู่ในใจให้ไปให้หมดให้พิจารณาให้รอบคอบให้เห็นด้วยใจลักษณ์นี้มันก็มันก็พอที่จะไปได้แต่ตัวเขาเองก็เป็นนักปฏิบัติครับแต่ว่าถ้าเขาส่งเสริมเราเนี่ยก็ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับเมืเ่อถึงข้าอนมุทนาเขายินดีครั บ, รบก็แสดงว่าเขาก็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 ใครจะบรรเทพึ่งของเราได้ไปตลอดไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องเป็นอะไรไปรแต่ถ้าเรามีเราเป็นที่พึ่งแล้วเราก็พึ่งเราได้ตลอดขอบพระคุณมระอาจารย์ครับนักกามีคำถามอยากจะถามบ้างไหม <c oughs> <c oughs> คับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติพิชาโตนะครับคำถามข้อแรกจากคุณจีรวัตรนะครับแม่ของผมชอบเล่นการพ น, นันผมตั้งใจอธิษฐานจิตภาวนาวิปัสสนากรรมฐานและแผ่เมตตาให้ท่านอย่างสม่าเสมออยากให้ท่านถือศีลภาวนาแต่ท่านก็ไม่เลิกเล่นหลายครั้งผมก็ตอดว่าท่านไปให้เลิกเล่น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 พระนิพพา น, านท่านก็ยังไม่ไปเพราะท่านรู้ว่าถ้าไปโดยที่เขาไม่พร้อมที่จะฟังไปก็เสียเวลาเปล่าๆเหมือนกับที่หลวงตาท่านเทศว่าเหมือนกับเทน้ําใส่หลังสุนัขเทไปก็เสียน้าําเปล่าๆเทไปมันก็สลัดทิ้งหมดนะครับหรือเทน้ําใส่แก้วที่คว่ำอยู่ถ้าแก้วคว่ำอยู่เทน้ําลงไปมากน้อยมันก็ไม่ สามารถที่จะเก็บน้ำไว้ได้เลยต้องดูว่าแก้วมันคว่มหรือหมายคนก็เหมือนกันต้องดูว่าเขายินดีที่จะฟังหรือไม่ฟังถ้าเขาไม่ยินดีก็อย่าไปพูดเลยเสียเวลาแล้วก็ทำให้เสียความรู้สึกทำให้เขาโกรธเกลียดเราขึ้นมาเป่าๆดังนั้นปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากของเราความอยากของเราทำให้เราทุกข์ใจ จนอดรนทนไม่ไหวต้องไปต่อว่าบุปกาเลยดังนั้นเราอย่าไปอย่าทำอย่างนั้นเราต้องรอจังหวะรอโอกาสหรือเราทำตัวเราเป็นตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านตัวทำพระ อ, องค์เองเป็นตัวอย่างก่อนพอคนอื่นเห็นตัวอย่างที่ดีแล้วเขาก็อยากจะทำตาม แม้แต่ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุนี่ก็ไม่ควรจะไปสอนโยมพ่อแม่หรอครับอาจารย์พระภิกษุก็ต้องให้พ่อแม่นิมนต์ไปก่อยซึ่งธรรมเนียมไทยก็มักจะมีเวลาพระบวชใหม่ใกล้จะออกพรรษาหรือใกล้จะราศิกขานี่มักจะนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่บ้านอย่างนี้ก็ไปได้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 แต่ญาติโยมคนนี้เขาเป็นคนเข้าวัดสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่แล้วพอพระบวชแล้วเขาก็ยังเล่นลายอยู่ยังติดต่อกับศีกายังอะไรกันอยู่พอญาติโยมท่านนี้ไปเตือนไปห้ามพระก็โกรธนะว่ามาสอนพระได้อย่างไรกลายเป็นกลายเป็นเรื่องเป็นลาวขึ้นมาคนที่ไปเตือนพระก็เลยไม่สบายใจ กลัวว่าตัวเองไปทำบาปหรือเปล่า mm hmm. ก็เลยเดือดร้อนต้องมาถึงที่นี่เพื่อมาหาคำตอบแล้วบอกว่ามันไม่บาปหรอกการที่บอกให้คนทำความดีเพียง mm hmm. แต่ว่ามันจะเหมาะสมหรือไม่อยู่ในฐานะหรือไม่ควรหรือไม่ท้งนเองเพราะว่าถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าไปพูดไปทำ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 พรองค์ก็ทงสร้างผู้อื่นให้เป็นพระตามมาให้เป็นพระอริยสงสารวกตามมาอันนี้แหละคือสิ่งที่เราควรจะสร้างกันคือสร้างสร้างพระพระก็คือความสงบของจิตใจนี่จิตใจสงบมากเท่าไหร่ก็จะเป็นพระสูงขึ้นไปมากขึ้นเท่านั้นพระก็มีอยู่สี่ระดับพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหรันต คามสงบของพระแต่ระดับนี้ก็จะไม่เท่ากันพระโสดาบันนี้ก็จะสงบน้อยกว่าพระสกิฎาคามีพระสกิฎาคามีก็จะสงบน้อยกว่าพระอนาคามีพระอนาคามีก็จะสงบน้อยกว่าพระอารหันต์นี่แหละคือการสร้างที่ที่ถูกต้องที่พระเจ้าต้องการให้สร้างท่านถึงสอนให้เราบูชาด้วยการปฏิบัติบูชา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 เช่นไปสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างอะไรต่างๆจะดีกว่าสร้างโบสถ์สร้างเจดีกันเต็มประเทศแล้วก็ไม่ได้ทาประโยชน์อะไรการสร้างถาวรลวัตถุนี้เขามีมีเหตุผลเช่นการสร้างเจดีนี้ก็เป็นการเก็บอัติของพระอรหันต์อัติพระธาตุของพระพุทธเจ้าของพระอรหรันต์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 ได้หลุดพ้นจากคลองทุกได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จะทำให้เกิดมีศรัทธาที่อยากจะศึกษาและปฏิบัติตามนี่คือเจตนาของการสร้างเจดีเอาไว้เจดีก็มีอันเดียวเลือมีพอสมควรก็พอไม่จำเป็นที่จะต้องมีทุกวัดทุกว่า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 ก็ จ, จะได้ประโยชน์แต่น้อยมากถ้าไม่มีคนใช้มีแต่สุนัขมาใช้หรือมีแต่นกพิ่ามาสายอยู่ก็ได้ประโยชน์กับนกกับกับสุนัขแต่นกกับสุนัขนี้ไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ไม่สามารถบรรลุมรรคผลมิตรานได้ไม่สามารถเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของอนุชนรุ่นหลังได้ที่เราทาั้งสาวราวบวัตถุนี้ไว้ก็เพื่อ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 สร้างโรงพยาบาลก็ไม่สามารถทำให้พระมีพระอริยะเจ้าเกิดขึ้นมาได้ค่ะขอพระขอามอาจารการมาาร์อาจารย์ค่ะคือว่าโยมก็พากันสร้างโบสถ์เสร็จแล้วผานสงบุญอันนี้ที่สร้างแล้วเนี่ยจะเกิดผลบุญไปทางไหนเจ้าคะก็มันอยู่ในในกลุ่มของทานไงก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ไม่ อะไรไม่ไม่ไม่เดือดร้อนในเกี่ยวกับเรื่องเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆไปอยู่ที่ใดเราก็จะมีทรัพย์สมบัติมีเข้าของเงินทองอเป็นเป็นเป็นสิ่งที่จะคอยดูแลเราอยู่ะแล้วก็หอราคงระคระคที่บัตรเนี้ยไม่มีเลยแล้วอยอมตั้งใจจะสร้างด้วยค่ะคือท้องใจตรงนี้อีกอย่างนึ่งคาเรื่องราคาเนี้ยก็ ก็เหมือนกันก็ถือว่าเป็นถาวรวัตถุเหมือนกันเป็นทานเหมือนกันเป็นทานเราเราสร้างทานไว้แล้วเวลาต่อไปเราไปเกิดข้างหน้าเราขาดแคลนอะไรเราก็จะมีสิ่งขาดแคลนมาเราจะไม่อยู่แบบอดอยากขาดแคลนพูดง่ายๆจะอยู่แบบเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ ในทางเลือกอีกทางหนึ่งคือการนั่งปฏิบัติธรรมพร้อมกับที่สร้างวัตถุในพุทธศาสนาด้วยม่เจ้าค่ะก็ต้องทําเพราะซัดทำไล่ขึ้นไปทําทานแล้วจะได้รักษาศีลได้รักษาศีลได้ก็จะปฏิบัติธรรมได้พอปฏิบัติธรรมได้เราก็บวชได้พอบวชได้เราก็จะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่พอปฏิบัติอย่างเต็มที่เราก็จะได้ไปพัฒนิพันได้ โยมเวลาโยมคิดแล้วโยมอยากทแล้วถือว่ามันปื้มใจแล้วรู้สึกว่าการนั่งป็น บ, บัติธรรมเนี่ยมันเป็นสึกว่าเสียดายถ้าเราถ้าเราไม่ได้ทําเลยเนี่ยกลัวเสียดายทุกวันนี้ก็พยายามที่จะปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดโยมหมดโ อ, อ ก, กาสแล้วโยมจะต้องเสียดายการสร้างวัตถุมันก็ต้องหมดไปตามาวันเวลาแต่การนั่งปฏิบัติธรรมหรือสวดมนเนี่ยโยม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 เพอาบางครั้งเราอาจจะเคยสร้างทานบารมีมามากพอแล้วทำให้เราไม่ยึดติดกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเนื่อที่เราทำทานเพื่อที่เราจะได้ถอนสมอเรือรู้จักไหมเวลาเราจะออกเดินทางทางเรือนี่ถ้าเรือยังถ้าเรือยังมีสมออยู่มันจะไปไม่ได้ต้องถอนต้องถอนสม อ, อสมเรือถ้าเรายังติดอยู่กับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเราก็จะไปบวชไม่ได้ เราต้องทาทานสละทรัพสมบัติเข้าของจนเราไม่มีความผูกพันไม่มีความรักความหวงพอเราปฏิบัติทาได้ผลดีแล้ว่าไปดีกว่าทิ้งสมบัติเข้าของเงินทองให้คนอื่นได้แต่ถ้าเรายัางทำทานไม่ได้ยังหวงทรัพสมบัติเข้าของเงินทองถึงแม้เราปฏิบัติทำได้เราก็ไม่อยากจะไปเรายัางหวงสมบัติอยู่ยังรักสมบัติอยู่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 เพราะว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงปัญหาของของการการมีเพศต่างกันแล้วมาอยู่ใกล้กันก็เคยจะทำให้เกิดการเสพกา ร, รการร่วมหลับหลับนอนซึ่งเป็นข้อห้ามข้อข้อร้ายแรงของพระถ้าพระภิกษุร่วมเสพกา ร, รกับผู้นีถือว่าขาดจากการเป็นพระงนั้นถ้าเราผู้หญิงที่อยู่ในคราบของผู้ชายคือร่างเป็นผู้ชายแต่ใจเป็นผู้หญิงมันก็เหมือนกับผู้หญิงมาอยู่กับผู้ชาย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 ญิงกับชายอยู่ใกล้กันแม้แต่ภิกษณุณีบวชแล้วก็ต้องอยู่กันคนละส่วนถึงแม้จะอยู่ในวัดเดียวกันก็ต้องแยกกันอยู่ไม่ให้ไม่ให้อยู่ร่วมกันองนั้นกระเทยนี่ก็เป็นเหมือนผู้หญิงถ้าอยากจะบวชก็ไปอยู่กับพวกแม่ชีไม่เป็นปัญหาอะไรแต่พวกแม่ชีพวกแม่ชีก็จะรับหรือเปล่า <c oughs> อ้าวพวกกระเทยก็ทําตัวเป็นผู้หญิงอยู่ไม่ใช่ เห็นมาใส่บาทททำบุญกันเยอะแยะก็บวชชีได้เพราใจจริงๆเขาเป็นผู้หญิงวมงใจเขาเป็นผู้หญิงเขาก็ไม่ไปยุ่งกับไม่ไม่ไม่ไปยุ่งกับผู้หญิงด้วยกันหรอกเก้าใจไหมพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เล่าเรื่องต้นโพต้นนี้ให้ฟังดีครับพระอาจารย์เอ่อท่าที่ทราบมาก็คือตอนที่ ขึ้นมาพัฒนาบนเขาหนิมในช่วงปี 2,525-206 เนี่ยสมเด็จพระสังฆ ร, ราชท่านก็ขึ้นมาเพราะว่าเขาสร้างที่พักให้ท่านมาภาวนาแราวสมเด็จท่านชอบอยู่ตามป่าตามเขาเวลาที่ท่านออกจากวัดบวรนิท่านมีเวลาท่านมักจะไปปีกไปเวกตามสําสนักปฏิบัติธรรมต่างๆของสายหลวงปู่มัน่นทางภาคอีสานเนี่ยพอท่านมาสร้างวัดยานแล้วมี พระท่านมาบุกเบิกพัฒนาบนเขาแล้วก็สร้างกระท่อมให้ท่านประทับอยู่ท่านก็เลยขึ้นมาประทับแล้วก็ท่านก็เลยถือโอการปลูกต้นโพไว้เท่าที่จําได้เท่าที่ญาติโยมผู้ที่รู้เหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าท่านปลูกอยู่ประมาณปีสองพันห้ารอยี่สิบหกประมาณเดือนมิถุนาถ้าจําไม่ผิดแต่ปีสองพันห้ารอยี่สิหก แล้วก็ก็ค่อยๆเจริญโตๆขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นต้นโพใหญ่อย่างนี้เพราะเดี๋ยวนี้ก็รวมกันก็สามสิบเอ็ดปีฮะสองพันห้าร้ยี่สิบหกถึงสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดสามสิบเอ็ดปีด้วยกันก็มีการบูรณะฐานของต้นโพนี้มาเป็นระยะตอนต้นก็ไม่มีฐานแล้วมีญาติโยมมาทำฐานสร้างล้อมไว้ นี่พอต้นไม้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นฐานก็ถูกรากแยกทำให้แตกตอนหน้าสุดนี้ก็มีศรัทธาท่านใหม่มามาบุรณะให้อีกไม่กี่ปีอาจจะต้องทำใหม่ mm hmm. เพราะนี่เป็นเรื่องของอนิจจงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็เป็นเป็นอนุสอนที่ว่า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 ที่บนเขารอบบริเวณนี้ยังเป็นเขาแบบไม่มีใครดูแลไม่มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่มีรัวร้วล้อมรอบไม่มีถนนหนทางไม่มีอ่างเก็บน้ําอะไรต่างๆพระองค์ก็ส่งมาพิจารณาวินิจฉัยว่าบที่บนนี้เป็นที่สงบสงัดเหมาะ ก, กับการปฏิบัติธรรมแล้พวพระองค์เองก็เคยปรารว่าถ้าเป็นไปได้ตอนนั้นพระองค์ยังไม่พ พระชนมาพันษายังไม่ได้หกสิบพันษาก็สงตัดว่าถ้าครบหกสิบพันษาแล้วอยากจะสละราชสมบัติอยากจะบวชแล้วก็คิดว่าจะมาประทับอยู่ที่บนเขานี้อันนี้เป็นการปารานบจึงทำให้เกิดมีการเตรียมการเอาไว้สร้างถนนหนทางเมื่อก่อนถนนที่ขึ้นมานี่จะเป็นทางดินทางลูกรังแต่พอมีพระราชด âm ฤทธานี้ก็มีการเตรียมการเดิน ไฟฟงไฟฟ้าเดินอะไรต่างๆขึ้นมาถนนก็ราดยางไรขึ้นมาแต่ก็พระองค์ก็ไม่ได้เสด็จมาเพราะว่าบ้านเมืองก็ยังไม่สงบก็เลยไม่ได้ไม่ได้ออกบวชแต่ทราบว่าพระองค์ก็ยังทรงปฏิบัติธรรมอยู่ยังไปสนธนาธรรมกับสมเด็จพระสังฆราชเป็นปกติพระองค์มักจะเสด็จไปที่วัดบาวรตอนค่ําประมาณสักสองสามทุ่ม ไปแบบเงียบๆไม่มีใครรู้ไปแล้วก็จะไปสนทนาธรรมกับสมเด็จพระสังฆราชเป็นประจำศาลาหลังนี้นอกจากมีสมเด็จพระสังฆราชมีในหลวงแล้วก็มีรู้สึกจะมีเจ้าฟ้าหญิงทั้งจุฬาพรณกับพระเทพน้ําตาลเสด็จมาก็กมีหลวงตาทั้งก็เกิดมาพักนอนหลับมาคร้างแรมที่บนศาลาหลังนี้เอ ศาลาหลังนี้จะเป็นถือว่าเป็นศาลามงคลถึงแม้ว่าสภาพหน้าตาของมันจะไม่ค่อยน่าดูมีญาติโยมบน่นกลัวว่ามันจะพังลงมาเราก็บอกไม่พังหรอกมีเป็นมงคลมีบา ร, รมีของผู้ยิ่งใหญ่ปกค้องคุ้มครองตอนที่ในหลวงเสด็จมาเป้าสังฆราชเรากลับไปพวกลูกศิษย์ที่ติดตามสมเด็จพระสังฆราชก็อยากจะลื้อศาลาหลังนี้ทิ้ง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 ศรัทธาท่านหนึ่งท่านมีบ้านเก่าแล้วก็หลือบ้านทิ้งก็มีไม้ที่ยังดีอยู่ยังใช้ได้อยู่ก็ถวายสมเร็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชท่านก็หลให้เอาขึ้นมาสร้างศาลาแับนี้เสาก็สายต้นไม้ที่มีอยู่บนนี้เสามันถึงไม่ตรงมันก็เป็นเหมือนกับเป็นไปตามรูปลักษณ์ของต้นไม้มันงอไปงอมามันก็ดูเลยรู้สึกว่ามันไม่ มันไม่เจริญหูเจรินตาสําหรับผู้ที่เขาเคยเห็นแต่สิ่งที่สวยที่งามก็ก็เลยอยากจะลื้อทิ้งพอชาวบ้านที่ทราบเขา้าเขาก็เลยขู่ว่าถ้าลื้อสาราก็ทิ้งเขาจะไม่ใส่บาทพอสมเด็จท่านทราบไปกราบทูลให้ท่านทราบท่านบอกอย่าลือ้อย่าลื้อให้เก็บเอาไว้รักษาน้ําใจเขาไว้สาราหลังนี้ก็เลยไม่ได้ลือ้อ มีแต่มีการปรับปรุงนิดหน่อยเมื่อก่อนตอนที่ทำใหม่ๆจะเป็นมุงด้วยละด้วยญ้าแลทีนี้ย้ามันมีปัญหาทุกสี่ห้าปีมันจะเปื่อยต้องลื้อมุงใหม่ก็เลยเปลี่ยนเป็นสังกะสีไปเลยสังกะสีนี่ก็รู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นสองครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็ใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็เสื่อมนี่ก็เปลี่ยนมาเป็นครั้งที่สองแ ตอนหลังนี้ก็อยู่มาคู่พร้อมๆกับต้นโพนี่แหละประมาณปีสองพันห้ารอยี่สิบหกก็สามสิบเอ็ดปีแล้ว <c oughs> ก็พยายามที่จะรักษามันไว้ต่อไปเท่าที่จะรักษาได้ <c oughs> <c oughs> นี่คือความเป็นไปเป็นมาของอที่เขตปฏิบัติธรรมบนเขานี้ที่อาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เล่าให้ฟังบนเขานี้ก็ไม่มีไฟฟ้า ดังนั้นญาติโยมเวลาเอาหลอดไฟเอาพัดลมมาถวายก็ให้ดูบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรเอ า, เอามาเราก็เอาไปให้ที่โรงเรียนของสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชท่านสร้างโรงเรียนให้เด็กเรียนฟรีอยู่ฟรีสามปีคือมหนึ่งถึงมสามด้วยกันบนนี้จะไม่มีไฟฟ้าเพราะต้องการให้พระอยู่แบบเหมือนไปทุ่ดงในป่า ไม่มีไฟฟ้าถ้าไม่มีไฟฟ้ามันก็จะไม่ต้องมีสิ่งอื่นตามมาเช่นตู้เย็นพัดลมเทรทัศน์อะไรต่างๆที่จะเป็นเครื่องทำลายการปฏิบัติธรรมยังไม่มีไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช้ไฟฟ้าแล้วเนื่องจากยุบนนี้บนเขาไม่มีแหล่งน้ำเราก็เลยใช้การลองน้ำฝนหาแท้งไว้แต่ลายใบกุติหนึ่งจะมีแท้งอยู่สามสี่ใบด้วยกัน ไว้สำหรับรองน้ำํำฝนพระที่จะอยู่นี่ก็ต้องรู้จักใช้น้ําอย่างประหยัดถ้าไม่พอบางทีก็ต้องลงไปใช้ที่วัดยานตอนเช้าพระทุกลูกอยู่ที่นี่จะต้องเดินลงไปที่วัดยานเพื่อออกไปบิณฑบาตและฉันที่วัดยานก่อนจะกลับมาก็จะใช้เวลานั้นบางทีก็ซับจีวรที่ข้างล่างเพราะที่ข้างล่างมีน้ําพร้อมหรือท่านต้องการอาบน้ําอย่างเต็มที่ก็อาบกันข้างล่าง ถ้าอยู่ข้างบนนี้ก็ต้องอาบแบบรูบๆถูๆไปรามัตตภาพแต่มันก็ดีมันทําให้รู้จักประหยัดมัธยัติรู้จักความมากน้อยสันโดษผู้ที่ขึ้นมาบนนี้เขาต้องการสถานที่สงบสงบวิเวกแล้วเขาก็จะยินดีที่จะทนอยู่กับความยากลําบากเพราะความยากลําบากนี้มันเป็นอุปสรรคทางร่างกาย <c oughs> แต่สิ่งที่ก็ต้องการก็คือความสงบ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 พร้อมที่จะอยู่แบบยากลำบากเหมือนกับไปอยู่ทุดงในป่าแต่สิ่งที่ก็ได้รับก็คือความวิเว้ความสงบสงัดเหมือนกับอยู่คนเดียวเวลาปฏิบัติธรรมก็จะได้ผลดีและง่ายกว่าการอยู่ในที่มีความพร้อมบริบูรณ์ด้วยน้ำใยต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องปิดย่อยเล็กๆน้อยๆที่